แต่อาสจันว่ามั่จะต้องหักโคษลงมาทับกุฏิของท่านก็ให้เกิดเรื่องมาทำให้ท่านแคล้วคลาดพ้นมาจากที่นั่นเสียได้โยมมาดาเล่าว่าวันนั้นคิดอย่างไรไม่ทราบตั้งใจจะมาเยี่ยมพระลูกชายแวะไปพักที่ศาลาก่อนก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ศาลาแต่งตัวอย่างนางกระตับสวยงามมากนางบอกว่านางชื่อพระนางมาศี โยมแม่เล่าว่าทั้งประหลาดใจและดีใจมากประหลาดใจว่าพระนางมัสีนั้นมีอยู่ในเวสันดรดชาดกไม่คิดว่าจะมีตัวมีตนจริงๆดีใจว่าได้เห็นพระนางมัสีเสด็จมาถึงบนตาลาในกลางป่าทั้งสวยงามทั้งยินแยม้มริมผายงามจับตาเลยเกินจึงอยากให้พระลูกชายรีบไปตาลา ได้ดูนางมัสีให้เป็นบุญตาโยมยืนยันว่าเห็นพระนางมัสีมาที่ศาลาดจริงๆถามชื่อนางกระจัดคนงามนางก็บอกประกาศว่าตนคือพระนางมาสัสีโยมบอกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่สวยงามอย่างนั้นเลยอย่างไรก็ตามเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วโยมมดานําท่านไปที่ศาลาก็ไม่ปรากฏว่า มีผนางมาัสยหรือผู้หญิงคนใดอยู่ที่นั่นเลยความจริงไม่มีใครบนสระเลยด้วยซ้ำเห็นแต่ภาพระเวสสันดรและผนางมาัสยที่ติดประดับอยู่บนสระมาแต่ก่อนเท่านั้นถ้าไม่กล่าวว่าเป็นเพราะเหตุอัศจรรย์ก็จะไม่รู้ว่าจะกล่าวอย่างไรเทวดาจึงได้บรรดาณนิมิตเพศเป็นผนางมาัสยมาให้โยมมารดาเห็นและไปเรียกท่านให้พ้นภยัย ที่จะต้องถูกต้นไม้ใหญ่โค่นลม้มลงทับกุฏิที่ท่านจำวัดอยู่เป็นธรรมดาของสาราวัดปาทั่วไปที่จะมีผู้ถวายรูปพระพุทธเจ้าหรือรูปตามเรื่องในชาดกต่างๆโดยเฉพาะเมื่อสมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉวยพระชาติในชาติสำคัญสิทชาติที่เรียกกันว่าโพศชาติอันเริ่มแต่พระสุวรรณสาม พระเตมีพระมโหสถจนกระทั่งพระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายทางวัดก็มักจะนำภาพเหล่านั้นใจกรอบปดิสถานด้วยบนตลาให้ญาติโยมได้เคารพบูชารูปพระเวสสันดรและพระนางมารีก็เป็นภาพหนึ่งที่ติดอยบนศาลาเช่นภาพในชาดกทั้งหลายหลังจากที่ได้มี์หนังสือชีวประวัติ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานนาสโมแจกไปสำหรับการปิ่ครั้งแรกเมื่อปลายเดือนตุลาคมพุทธศักราช2529แล้วพระคุณเจ้าหลวงปู่หลุยจันท์สาโรได้อ่านความในหนังสือดังกล่าวมาถึงเหตุการณ์ตอนนี้ท่านก็กล่าวยืนยันเรื่องราวตามให้ผู้เขียนฟังอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่หลุยท่านเล่าว่าปีนั้นเป็นปีที่ท่านจําัญหาอยู่ด้วย ณาอวดป่านนองอัวซอโดยมีทั้งหลวงปู่ชอบฐานนาสโมและหลวงปู่ขาวอนาลโยจำปรรษาอยู่พร้อมทั้งสามองค์ณาอวดป่านนองอัวตนี้เป็นที่ซึ่งท่านประจักษ์ในบุญญาบารมีในกัลยาณมิตรทั้งสองของท่านเป็นอย่างดีโดยมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นทั้งในกรณีของหลวงปู่ชอบและกรณีของหลวงปู่ขาวโดยหลวงปู่หลุยท่านว่า อัศจรรย์อัศจรรย์จริงๆต่อมาเมื่อพระคุณเจ้าหลวงปวู่หลุยมรณภาพในปลายเดือนทันวาคมพุทธศักราช2532ผู้เขียนได้รับฉันทานุมัติจากคณะสิทญาณุสิ์ของท่านทั้งบัณฑิตและขารวาดให้เป็นผู้เรียบเรียงและจัดทิมพหนังสือประวัติของท่านเพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานรอดชานเพลิงศพผู้เขียน จึงได้บันทึกความตอนนี้ที่หลวงปู่หลุยท่านเมตตาเล่าให้ฟังไว้ในหนังสือจันทสาโรบูชาด้วยดังมีความละเอียดซึ่งของนำมารวมไว้ในหนังสือชีว่าประวัติของพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานสโมฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2535ด้วยดังนี้จากหนังสือจันทสาโรบูชาซึ่งพระบาทสมเด็จ พระบรมินทรรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พิมพ์พระชท า, านในงานพระชถ า, านเพลิงศพพระอาจารย์หลุยจันทรพระดาโรณะเนรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวันเสาร์ที่เจ็ดเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสาสิบสามยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดณ ที่วัดป่าหนองวัวตอนนี้เป็นที่หลุงปูหลุยเล่าเสมอว่าท่านได้ประจักษ์ในบุญญาบารมีในกันลยาณมิตรทั้งสองของท่านกล่าวคือระหว่างจะประสานด้วยกันคืนหนึ่งเกิดฝนตกหนักลมพายุพัดรุนแรงฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนครั้นถึงเวลากลางวันขณะที่หลุงปู่ชอบกําลังจําวัดก็ต้องสะดุ้งตื่น ด้วยได้ยินเสียงโยมมารดามาร้องเรียกให้ออกไปรับเสด็จพระนางมาศีพอท่านออกมานอกกุฏิตามเสียงเรียกของโยมมารดาต้นไม้ใหญ่ก็หักโค่นลงทับกุฏิของหลวงปู่ชอบพังเป็นจุนไปทำให้หลวงปู่ชอบพ้นอันตรายไปอย่างน่าอัศจรรย์ความจริงเรื่องที่ว่าโยมมารดาเป็นพระนางมาศีนั้นเมื่อหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว ก็พาหลวงปู่ไปที่ศาลาที่ว่านางมตซีมารออยู่โยมมันดาเล่าว่าได้เห็นพระนางมตซีลงมหาเป็นหญิงที่สวยงามที่สุดครั้งแรกไม่รู้จักชื่อพอถามนางก็บอกว่านางเองคือพระนางมตซีโยมมันดาเห็นหญิงนั้นงามเดือที่จะประมาณงามยิ่งกว่านางฟ้าที่เคยเห็นในรูปรู้สึกตื่นเต้น จึงวิ่งไปตามพระรูกชายดังกล่าวแต่เมื่อมาถึงศาลาไม่มีใครเห็นหญิงที่โยมมารดากล่าวอ้างเลยคงเห็นแต่รูปพระนางมะสีติดอยู่บนศาลาเท่านั้นน่าคิดว่านางฟ้าหรือเทพพยายดาอารักษ์เทพพธิดาองค์ใดไปช่วยปรากฏกายให้โยมมารดาไปเรียกลวงปู่ชอบออกมาได้เพราะาท่านยังคงจำวัดอยู่ท่านต้องมอรณภาพแน่ สำหรับกรณีของหลวงปู่ขาวนั้นหลวงปู่หลุยท่านล่ว่าต้นไม้หักโค่นลงมาเหมือนกันแต่ต้นที่ล้มลงเสนรนาะนั้นมีจํานวนมากแต่ละต้นต่างล้อมกุฏิหลวงปู่ขาวไว้โดยรอบเป็นวงกลมไม่มีแม้แต่ต้นเดียวกิ่งเดียวที่จะหักมาทับหรือกายกุฏิหลวงปู่ขาวเลยเป็นตัวหนึ่งเทวดาช่วยจับเวียนต้นไม้ล้อมรอบกุฏิหลวงปู่ขาวเอาไว้ฉะนั้น เ ป, เป็นเรื่องที่หลวงปู่หลุยจะเล่าให้สิ์ใกล้ชิดฟังเสมอว่าบุญบารมีที่แต่ละคนสร้างสมอบรมมานั้นโดยเฉพาะท่านผู้จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นจะต้องมีเทพพยายดาอารักษ์มาบำรุงรักษาปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายเสมอตอนที่สิบสองคำพยากรของท่านพระอาจารย์มันในบรรดาิทธิ์รุ่นใหญ่ ของท่านพระอาจารย์มั่นภริษฐะมหาเถระหลวงปู่ดูจะมีประสบการณ์คล้ายคึยงกับบุรพาจารย์ของท่านมากที่สุดโดยเฉพาะด้านการรู้เห็นติดต่อกับสิ่งลึกลับที่อยู่ต่างพบต่างภูมิมาขอความอนุเคราะห์จากท่านขอสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญกับท่านขอฟังธรรมให้ท่านเทศโปรดความ น, นี้ดูจะเป็นที่สังเกตและทราบตั้งแต่ เมื่อท่านเป็นพระผู้น้อยเข้าไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นใหม่ๆเวลาท่านภาวนาทุกคืนได้เห็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งเป็นเหตุการณ์ปรากฏซ้ำคล้ายกันแทบทุกคืนวันหนึ่งอดใจไม่ได้ก็คลานเข้าไปกราบเรียนถามข้อสงสัยกล่าวคือท่านภาวนาเห็นท่านพระอาจารย์มั่นถือไม่เท้าไปเคาะดูตามกุฏิลูกศิษย์หลังโนนหลังนี้ทุกคืนท่านพระอาจารย์มั่น ด, ดูแล้ว ก็กลับไม่ทราบว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ไปด้วยเหตุผลก้นใดท่านพระอาจารย์มั่นฟังแล้วก็นิ่งมองพระน้อยองค์นี้แทนที่จะตอบคําถามท่านก็ป่ารบออกมาดังๆต่อหน้าพระเนรทุกองค์ว่าเออให้ทุกองค์ภาวนาให้ได้เหมือนกับท่านชอบสิได้ความว่าระยะนี้ทุกคืนท่านพระอาจารย์มั่นต้องการจะตรวจดูว่าพระเนร ไม่มีการทําความเพียรภาวนากันอยากเต็มที่สมกับที่เป็นพระพุทธองกรรมฐานจิตของท่านหรือไม่หรือจะมีใครง่วงเหงาหาวนอนที่เกียดภาวนาแแอบเป็นจระเข้ยึดถือหมอนเป็นหลักหรือมีจิตทรงออกคิดไปนในทางไม่ถูกไม่ควรบ้างท่านจึงต้องคอยไปตรวจดูเคาะกุฏิดูและความจริงท่านก็ไม่ได้ออกเดินไปดูจริงๆ ท่านเพียงแต่ส่งจิตไปดูเท่านั้นแต่พระน้อยองค์นี้ก็สามารถมองเห็นกายทิพของท่านได้นับแต่นั้นท่านพระอาจารย์มั่นก่อยความเมตตาท่านมากขึ้นไม่ว่าจะแนะนอุบายข้อปฏิบัติให้เช่นไรท่านก็พยายามทำตามอย่างไม่ลดละเช่นควรจะไปอยู่ป่านั้นถ้านั้นภูเขาลูกนั้นตำบล น, นั้นข่าวว่าลบากยากแขนกระดานอย่างไร ท่านจะไม่ลังเลสงสัยอย่างไรเลยท่านจะตรงไปอย่างมุ่งมัน่นตั้นใจบำเพ็ญความเพียรในป่านั้นถ้ำนั้นภูเขาลูกนั้นตำบลนั้นอย่างไม่หวั่นกลัวหรือหวั่นเกรงภใยใดๆและเมื่อไปแล้วประสบผลอย่างไรมีอุบายพาดำเนินผ่านข้อขัดข้องไปได้เช่นไบรก็จะกลับมาเรียนชี้แจงขอสอบทานความคิดเห็นหรื อ, อยังมีปัญหาใดค้างคาอยู่ ก็จะมาเรียนขอให้ท่านอนุเคราะห์ให้ความสว่างแก่ศิษย์ครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนั้นท่านดูแลขัดเกลว์นิสัยศิษย์ยอย่างเอาใจใส่ทั้งจริตนิสัยภายนอกทั้งจิตภายในที่จะต้องกล่อมเกลาให้สํารวมระวังดูแลทุกสุขเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูบาเป็นทั้งอาจารย์ของศิษย์จริงๆท่านจึงให้คําแทนชื่อเรียกว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเรียกพ่อแม่ครูอาจารย์สั้นๆท่านครบรเชื่อฟังท่านพระอาจารย์มั่นมากและท่านพระอาจารย์มั่นก็คงจะเฝ้าสังเกตความก้าวหน้าในการบำเพ็ญ ภ, ภาวนาของสิทธิผู้นี้อยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งท่านจึงออกปากพยากรณ์ไปไกลลิบเลยพระน้อยองค์นี้ในประวัติบางแห่งกล่าวว่า เมื่อลุงปู่พบท่านพระอาจารย์มั่นแล้วในพรรษานั้นก็ได้จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นหากเรื่องนี้ลุงปู่ปฏิเสธว่าท่านไม่เคยจํ า, ารรษากับท่านพระอาจารย์มั่นเลยแต่ออกบรรษาแล้วเมื่อมีโอกาสครั้งใดท่านก็จะกลับมากราบครูบาอาจารย์ของท่านเสมอโดยเฉพาะเมื่อต้องการอุบายธรรมะที่จะส่งเสริมการปฏิบัติให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอันที่จริง บางครั้งบางเวลาที่ท่านไปอยู่โดดเดี่ยวในกลางป่าดงพงลึกหรือในถ้ำอลีลับบนยอดเขาสูงหากการภาวนาเกิดติดขัดอย่างไรท่านพระอาจารย์มั่นก็จะไปปรากฏร่างในนิมิตภาวนาแสดงบอกอุบายวิธีแก้ไขอาจจะเป็นโดยย่อเพียงให้ท่านได้อุบายใช้สติปัญญาของตนเองคิดแยกแยะให้ก้างขวางแตกฉานออกไป หรืออาจจะเป็นธรรมะโดยละเอียดที่ควรแจ้แจงให้ทิสศาลออกไปจนแจ้งแจ้งก็ได้โดยที่หลวงปู่มีนิสัยในทางออกรู้สิ่งต่างๆดีอยู่แล้วจึงสามารถมีทางรับรู้ธรรมะจากครูบาอาจารย์ทางนิมิตภาวนาได้เป็นอย่างดีแต่ถึงท่านที่มีโอกาสรับฟังธรรมะจากท่านพระอาจารย์มั่นได้ในทางนิมิตภาวนา ง่ายกว่าจิตคนอื่นท่านก็ยังปรารถนาจะหาโอกาสกลับมากราบพงศ์จริงอยู่บ่อยๆคืนหนึ่งท่านไปทำความเพียรอยู่ในที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากวัดที่ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่นักท่านเล่าว่าคืนวันนั้นจิตสงบภาวนาได้ดีมากแต่ใจหนึ่งก็สงสารสังขารที่จะให้ได้พักผ่อนสักหน่อยก็ท่านใช้เวลาภาวนาติดต่อกันมาหลายคืนแล้ว พอตกลงใจคิดเองหลังลงจะนอนก็ดินเสียงดังลั่นเหมือนเสียงฟ้าผ่าเสียงนั้นดังสนั่นมากจนท่านประหลาดใจคิดว่าพรุ่งนี้จะหาโอกาสไปกลาวเปลี่ยนถามท่านอาจารย์พอไปถึงวัดท่านพระอาจารย์มั่นเห็นเสือปูรอไว้แล้วพร้อมทั้งมีกวดน้ําแก้วน้ําตั้งรอรับเสจตจำน์ ท่านก็ก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งยังไม่ทันจะเปิดปากเลยท่านพระอาจารย์มั่นก็กล่าวออกมาดังๆว่าให้คนเรานั้นนะถ้าจะภาวนาได้ดีแล้วพอนึกง่วงนอนจะนอนแล้วจะเกิดเสียงดังอย่างกระฟาผ่ า, าท่านได้ฟังก็เลยไม่ถามอะไรสักคำกราบลาแล้วก็กลับไปตอนที่สิบสาม เทวดามาขอฟังธรรมะออกพรรษาแล้วหลวงปู่ก็ออกจากวัดป่าบ้านหนองวัวซอจาริตไปหาปากเขาอัญจกัดวิเวกที่ถูกกับจาริตนิสัยท่านชอบเที่ยวอยู่ในป่าในเขาเป็นปกติถึงเวลาเข้าพรรษาก็กลับเข้าบ้านเมืองเจยดครั้งหนึ่งออกพรรษาแล้วก็ออกจาริกทุดงต่อไปพรรษาที่เจ็ดพุทธศักราช 2,474 ท่านจัรรษาอยู่ที่วัดบ้านเหล่างาหรือปัจจุบันเรียกว่าวัดป่าวิเวกธรรมอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นภาษาัที่8และ9พุทธศักราช 2,475 และ 2,476 ท่านจับพรรษาอยู่ที่วัดป่าสารวันอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารยายนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคมโมสิทธิรุ่นผู้ใหญ่ของท่านพระจารย์มั่นกำลังตั้งกองทัพทำสั่งสอนประชาชนทางภาะอีสานให้รู้จักหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงให้เลิกนับถือผีไทยทีฟ้านีปู่ตากลับมารับพระตรชนรณคมมีพระกรรมฐานมาชุมนุมอยู่ที่วัดป่าสารวันและวัดป่าอิเวกธรร ม, มานอกจากองค์ท่าน พระอาจารย์สิงหขันทยาคโมแล้วก็มีท่านพระอาจารย์มหาปิมปัญญาพโลท่านพระอาจารย์อ่อนอยานัทริท่านพระอาจารย์ฟันอาจารโรเป็นต้นวัดป่าสารวันนี้มีกำเนิดมาจากสมเด็จมหาวีระวงศ์ติดโจอ้วนพอทอห้าเมื่อครั้งดำรงตําแหน่งเป็นพระเทพเมธีเจ้าคณะมณฑนนครราชสีมา ได้มีบัญชาเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2475ให้พระ ก, กรรมาฐานที่มีอยู่จังหวัดขอนแก่นไปรวมกันที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่ออบรมเทศนาสั่งสอนประชาชนร่วมกับข้าราชการระคณะกรรมาฐานซึ่งมีท่านพระอาจารย์สิงห์ขันทยาคโมเป็นหัวหน้า จึงพาหมู่พวกเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเผยแพร่พลหลักธรรมทางพุทธศาสนาและในพุทธศักราช2475นี้เองที่พันตำรวจตรีหลวงชาญ น, นิยมเขตได้ถวายที่ดินหลังสถานีรถไฟจำนวน80ไร่เศษให้สร้างเป็นวัดท่านพระอาจารย์สิงห์จึงได้จัดสร้างวัดขึ้นตั้งชื่อว่า วัดป่าสารวันให้เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับอบรมกรรมฐานระหว่างที่หมู่พวกกระจายกันไปตั้งวัดโดยรอบวัดป่าสารวันเช่นสร้างวัดสัธาวนารามข้างกรมทหารตำบลหัวทะเลสร้างวัดป่าที่รีวันอำเภอท่าช้างวัดป่าอำเภอกระโทตกวัดป่าอำเภอจักราชวัดป่าสแกราช อำเภอปักธงชัยวัดป่าบ้านใหม่สำโรง อ, อรสีคิ้ววัดป่าบ้านมะรุมอเภโนนสูงเป็นกองทัพธรรมกระจายแยกย้ายกันประเทศาสนาอบรมประชาชนหลวงปู่ก็แยกจากหมู่พวกเข้าไปในป่าลึกอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายโ ด, ดยที่ท่านมินิสัยขลุมพูดน้อยไม่ชอบข้องเกี่ยวเพื่อพระเนน และประชาชนจานวนมากท่านจึงเห็นประโยชน์ของการเข้าไปในอยู่ป่าเขาอั น, นเงัยบเงียบประโยชน์นี้ทั้งสำหรับองค์ท่านเองและประโยชน์ของผู้ที่อยู่ในภพภูมิอื่นอันสายตามนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะมองเห็นได้พูดง่ายๆขณะที่หมู่พวกเมตาเทศนาอบรมมนุษย์ในหมู่บ้านหลองปู่ก็ได้ช่วยเมตาอนุเคราะห์เทศนาอบรมเทวดานในป่าลึก ท่านเล่าว่าระหว่างที่ท่านทุดงเข้าไปในป่าลึกจะมีพวกกายพิตเข้ามาอารัธนานิมนต์ให้อยู่โดดพวกเขาแม้แต่เสียงที่ท่านสวดมนต์ภาวนาก็ทำความชุ่มชื่นรื่นรมให้แก่สัตว์โลกไปทั่วทั้งปฐพีแทบไม่เว้นแต่ละคืนจะมีพวกจากภพภูมิอื่นเป็นเทวดาเป็นนาศมากราบไหว้ขอฟังธรรมท่านเล่าให้สิทธิใกล้คิดฟังว่า เทวดามาเยี่ยมฟังธรรมจากท่านเกือบทุกเคินมีจำนวนมากบ้างน้อยบ้างบางครั้งมีจำนวนหลักสิบเช่นห้าสิบถึง60สิองค์บางทีก็มีเป็นจำนวนร้อยหนึ100่งรถึงสองหรือห0ร้อยถึงเจดรอบางครั้งก็ถึงจำนวนพันๆเครื่องนุ่มหกของเทวดาก็เป็นไปอย่างมีระเบียบ งามตาเป็นสีเดียวกันหมดประหนึ่งเครื่องแบบเช่นขนาดนี้แต่งกายสีแดงก็แดงเหมือนกันถ้าเป็นสีขาวก็ขาวเหมือนกันหมดหรือจะเป็นสีเหลืองสีเขียวก็เหมือนกันเช่นกันที่น่าสังเกตคือเวลาเข้ามาฟังธรรมเทวดาจะไม่ตกแต่งเครื่องประดับอลังการมีกิริยามารยาทเรียบร้อยนอบนอบ้อม ตาผู้เป็นเจ้าอย่างน่าชมธรรมะที่ท่านแสดงโปรดเทวดานั้นมักจะเป็นหัวข้อธรรมที่เขาขอร้องเช่นขอฟังธรรมจักกัปะวัตนสูตรบ้างกรณียะเมตตสูตรบ้างเมตตาพรวิหารบ้างท่านเกาะนุลมทศ่ปตาที่เขาอาราธนาแต่บางครั้งเขาก็ไม่จะเปาะเจาะ จ, จงแต่อย่างใดขอแต่ให้ท่าน พิจารณาเห็นสมควรเองการแสดงธรรมท่านก็แสดงจากใจไม่ต้องใช้เสียงแต่อย่างใดผู้ฟังก็ฟังด้วยใจบางครั้งก็มีการถามปัญหาธรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ก็มีข้อสงสัยในทางธรรมท่านก็อนุเคราะห์เขาไปตามควรการที่หลวงปู่เมตตาสัตว์ไม่มีประมาณทั้งเทวดาอินพรหมโยมยักษนาคมนุษย์ เทศนาโปรโดเขาเป็นปกติแต่ความจริงการที่กาเปลียนถามหลวงปู่ได้เทศโปรโดเทวดามาแต่เมื่อสมัยท่านอย่างเป็นสา ม, มนเณรแล้วฉะนั้นพวกที่ได้รับความเมตตาความกรุณาจากท่านจึงมีจิตใจตอบทั้งด้วยความเลื่อมใสศรัทธารรเคารพเลื่อทูลบูชาเมื่อยามที่ท่านติดขัดมีอุปสรรคใดเทวดาผู้หอมล้อมอารักขาท่าน จึงคอยดูแลพยายามปัดเป่าคลี่คลายปัญหาถวายท่านอย่างนาอาัศจรรย์ดังจะได้กล่าวต่อไปในภายหลังตอนที่สิบสี่จับพรรษาที่ถ้ำนายมเทวดามาอารักขาและถวายอาหารทิพในพรรษาที่สิบพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านจับพรรษาอยู่ณถ้ำนายมจังหวัดเพชรบูรณ ท่านี้เป็นถ้มที่ปรากฏให้ท่านเห็นในนิมิตตั้งแต่ท่านยังอยู่ที่วัดป่าบ้านเหล่างาจังหวัดนครราชสีมากับท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาขโมเมื่อท่านรู้อนาคตถึงถ้ำที่ท่านจะต้องไปอยู่ท่านก็เดินทางจากนครราชสีมาบุกป่ามุ่งไปทางพิชบูรณ์เพื่อสืบหาถ้ำนายมที่ปรากฏในนิมิตท่านเดินทาง มากับพระขาวคนหนึ่งเป็นคนบ้านนอกรักษาศีลแปดไปถึงเมืองเพชรบูรณ์ถามหาถ้ำนายมแต่ไม่มีผู้ใดรู้จักจนสุดท้ายจึงมาพบเข้าเป็นถ้ำที่ซอกซอนอยู่ในดงป่าลึกจากบ้านชาวป่าที่ใกล้ที่สุดต้องบุก ป, ป่าไม้ไผ่อันหนาทึบเข้าไปถึงห้ากิโลเมตรจึงจะถึงถ้ำนายมท่านลว่าตั้งแต่เห็นถ้ามา ท่านไม่เคยเห็นถ้ำที่ไหนจะใหญ่โตและงงดงามเท่าถ้ำนายมนี้ภายในถ้ำมีบริเวรกว้างใหญ่เป็นหลบเขาเป็นชั้นช่องปล่องเปลวเพดานเป็นหินระยะย้อยงดงามบางตอนก็เลื่อมทรายใส่ประยับประดุดแก้มมุกดาแต่ละห้องคู่หาล้วนใหญ่โตมโหฬารต่อเนื่องกันไปดื้ทองรนค์ และห้องหอในปราสาทราชวังบางตอนที่แยกไปเป็นซอกเล็กผู้หาน้อยแม้จะขาดแสงหรือทึบมืดมากแต่ก็ไม่มีอัดชืนอากาศโปร่งเย็ยนสบายมีลมพัดโกลกตลอดเวลาช่วยให้นั่งภาวนาเป็นอย่างมากพันวา่าเป็นถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีมดไม่มีแมลงปรากฏพระเนนหรือใครก็ตามจะไปทาศกตก ในที่นั้นไม่ได้เลยและถ้าขี้เกียจเห็นก็หลับเห็นก็นอนก็จูกปลุกถูกเตือนดึงขาดึงแขนไม่ให้ประมาทในการภาวนาท่านบอกว่าพิจารณาแล้วเคยเป็นถ้ำอยู่ใต้ทะเลมาก่อนจนเดี๋ยวนี้พื้นถ้ำก็ยังเป็นทรายทะเลอยู่แต่ก็น่าประหลาดอย่างที่กล่าวมาแล้วพว่าแมพื้นถ้ำจะเป็นทรายแต่ไม่ได้มีมด มีมแมลงเล็กมแมลงน้อยอาศัยอยู่ในพื้นทรายจากที่เคยพบในพื้นทรายแถบอื่นเลยสักตัวเดียวดูราวกับมีผู้มาปัดกวาดทำความสะอาดให้ดูราบเรียบยิ่มสำอ่างอยู่ตลอดเวลาบริเวณหน้าถ้ำมีกระทะเหล็กใหญ่หม้อไหามากมายถามดูก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครชาวบ้านบอกว่าได้ยินปู่ย่าตายายล่าสุดสืดกันมาว่า เคยเห็นข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้อยู่หน้าถ้ำนี้มานานนักหนานแล้วเวลาชาวบ้านจะมีงานฉลองปีหนึ่งก็ได้ใช้ช่วยชามหม้อไหกระทะเหล่านี้ครั้งหนึ่งใช้แล้วก็เก็บล้างนํามาคืนที่หน้าถ้ำวางไว้เฉยๆไม่ต้องเก็บงำซ่อนซุกอะไรไม่มีใครกล้าไปฉกลักยึดเอามาเป็นสมบัติส่วนตั ว, ตวสั ก, กลาย ท่านกล่าชมเชยพระขาวที่ไปอยู่ด้วยกันกับท่านมากว่าปฏิบัติธรรมบำเพีญเพียรได้ยอย่างน่าสารรเสริญวันหนึ่งระหว่างนั่งภาวนาท่านเห็นเทวดาองค์หนึ่งเหาะลอยมาแต่ผ่านท่านไปอย่างไม่สนใจและประทิตอะไรไม่ทราบใส่หูพระขาวนั้นพอเสร็จภาวนาแล้วเดียวพระขาวก็มาถามท่านว่าถึงท่านอะไรแล้วท่านก็เลยกล่าวว่า อย่าไปยุ่งกับมันเลยขั้นขึ้นอะไรกันเราภาวนาต่อไปเถอะท่านอธิบายว่าความจริงโยกขาวผู้นั้นได้เป็นอนาคารีแล้วบอกภรษาแล้วเมื่อท่านจะไปจากถ้นายกโยะขาวก็ยังดื่มด่ำในการภาวนามากไม่ยอมตามท่านไปขออยู่ที่ถ้ำนายกต่อพวกทุกหลานของแกเป็นห่วงอ้อนวอนให้ไปาะในนั้น อดอย่างมากไม่มีอาหารกินแต่โยพระขาวก็ไม่ยอมกลับบ้านกับลูกลูกชายลูกสาวที่ออกกุบายช่วยให้ออกจากถ้าไปดูห้วยซึ่งอยู่ใกล้ถ้าแล้วก็จับเอาตัวพ่อเท่ากลับไปบ้านพระขาวกลับบ้านก็ไม่สนใจการงานอะไรคงแต่ภาวนาและเดินจงกลบลูกเดียวหลือปู่ล่าว่าแก่เป็นอนาคาแล้ว คำหนดรู้วันตายล่วงหน้าและเมื่อถึงวันที่แก่บอกล่วงหน้าไว้ว่าจะเป็นวันตายลูกหลานก็ว่าไม่เห็นพ่อเท่าเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างไรคงเดินจงกรมเป็นปกติแต่ในวันนั้นเองระหว่างเดินจงกรมแก่ตกนอกชานที่โคลงไปโดนล้อเกวียนหักตายตรงตามเวลาที่บอกลูกชายลูกสาวไว้พอดีที่ถ้ำนายโยม น, นี้มีเทพาน และมักจะราศนาให้ท่านแสดงธรรมโปรดพวกเขาอยู่เสมอชาวบ้านบาที่อยู่ใกล้ถ้ำนายมที่สุดนั้นมีเพียงสองสามครอบครัวมีฐานะแบบหาเช้ากินค่ำที่พยายามถวายอาหารพระก็ด้วยใจขลศเลื่อมใสแต่ความที่เขาเองก็ลำบากแทบไม่มีจะกินท่านจึงไม่ค่อยจะออกมาบินถบานนัก เว้นสี่สัห้าวันจึงจะออกมาปิญธาบาทสักคนหนึ่งหรือบางทีการภาวนาดื่มด่ำมากท่านก็จะเว้นการปิญธาบาดนานมากขึ้นทําสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนเวลาเช้าสายบ่ายเย็นมืดหรือสว่างแทบไม่มีความหมายจิตสว่างโตไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนจิตลงได้สนิทเป็นฐานของสมาธิ และลงได้ครั้งละหลายหลายชั่วโมงกว่าจะถอนขึ้นมาเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็พิจารณาด้านปัญญาจนกว่าปัญญาจะฟาดคัามกิเลสับสิสหลงเวลาเข้าสมาธินั้นประมาณแน่นอนไม่ได้ถ้าเป็นเวลากลางวันซึ่งอากาศมักจะร้อนสักหน่อยก็จะอยู่ในราวสองหรือสาหรือสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนอากาศเย็นโปร่งสบาย ก็สี่ถึงห้าชั่วโมงเป็นประจำแต่ก็บ่อยครั้งที่จิตอาจจะถอนต่อเมื่อถึงเวลาลุ่งเช้าสว่างแล้วหลังจากทำสมาธิแล้วเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ท่านก็จะเดินจงกรมต่อไปจิตดื่มดำในธรรมที่ผุดขึ้นธรรมก็แนบสนิทกับจิตไม่เสื่อมคลายท่านไม่ได้สนใจกับเวลาที่ผ่านไปหรืออาหารที่ไม่ตกถึงท้องเป็นวั น, วน เป็นอาทิตย์อาทิตย์พระขาวที่อยู่ด้วยท่านก็ไม่ได้ห่วงใยอะไรอาหารเช่นเดียวกันจึงต่างคนต่างทำความเพียรอย่างอุกฤษทันละไว้สิทธิผู้หนึ่งคือถ้าพระอาจารย์บุญยริศปันดิตโตฟังในภายหลังว่าตอนที่ท่านนั่งภาวนาได้เห็นเทวดาองค์หนึ่งพอผ่านท่านไปโดยไม่สนใจแต่ประกริดใหูพระขาวนั้นท่านรู้สึก อายใจอย่างบอกไม่ถูกแหมเราปวดมาสิบปีแล้วยังสู้เขาไม่ได้พระเขานั้นได้อนาคามีแล้วเรื่องในสมัยพุทธกาลก็เคยมีที่ภิกสุบำเพรนภาวนาแล้วสู้อุบาสกอุบาสิกาไม่ได้อุบาสิกานางหนึ่งพิจารณาแล้วได้อนาคามีนางมีใจเมตตาเห็นแกงบุพิสุอย่างไม่บรรลุธรรม พิจารณารู้ว่าอย่างติดขัดอาหารไม่สัตปายะเป็นที่สบายแกทิด ก, ก็พยายามจัดหาลูกอาหารที่ถูกแกจริตถวายีิสู่เหล่านั้นลึกตายที่อุบาสิกาได้บรุพฤรรทถึงอนาคามีแล้วแต่ท่านทุกองคอย่างเป็นปุถุชนและพยายามเร่งความเพียรอย่างหนักในท้ายก็ได้สำเร็จอ ร, รหัตผลกันทุกองขณะที่โยมอุปถ์ของท่านก็ยังเป็น พระอนาคามีเช่นเดิมอย่างไรก็ดีสำหรับเรื่องของหลวงปู่นี้เราไม่กล้าอาัดเอื้องจะคิดจะวิจาร์เช่นไรเทวดาองค์นั้นไประกสิบให้พระขาวมาเรียนถามหลวงปู่เป็นเชิงสักพยอหรือให้อุบายหรือเปล่าที่ว่าถึงขั้นอะไรแล้วถึงขั้นอะไรแล้วแต่ก็ทำให้ท่านเร่งความเปีย น, นกขึ้นจนไม่เป็นอันนึกถึงการบิณฑบาต ด้วยฉันอาหารด้วยใจนั้นระชิดติดพันรุกไล่อยู่กับการห้ามหันกิเลสอย่างไม่ลดละท่านไม่ได้นึกถึงเดือนนึกถึงตะวันเจอด้วยการภาวนาทั้งอริยาบทสี่จนไม่ได้นึกถึงสังขารร่างกายเลยว่าสูร้อมอ่อนเพลียไปเช่นไบออกประหลาดใจที่วันหนึ่งได้เห็นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามากราบคารวะ ขออนุ ญ, ญาตถวายอาหารทิพย์เทวดากราบเรียนท่านว่าที่ท่านมาบำเพ็ญความเพียรอยู่ณที่นี้เทวดาได้เป็นผู้มาคอยอารักขาท่านตลอดเวลาด้วยความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างจงยิ่งเหล่าเทพบริเวณนี้มีความสุขสงบร่มเย็นโดยทั่วกันด้วยกระแสธรรมและเมตตาที่ท่านแผ่ไปให้โดยไม่มีประมาณเทวดาทั้งหลาย ขออนุโมทนาเพื่อพระคุณเจ้าแต่ระยะนี้พระคุณเจ้าเร่งความเพียรอย่างอุกฤษไม่ดินทบาตไม่ฉันอาหารทัดขันอัดขาดอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายมาหลายเวลาแล้วแม้ใจของพระคุณเจ้าจะผ่องใสอาจฐาน ร, ร่าเริงในธรรมแต่ร่างกายที่อ่อนเพลียอาจเป็นอุปสรรคให้ท่านลม้ลมลงเจ็บได้เทวดาสงสาร ทนดูอยู่หลายวันแล้วอดไม่ได้วันนี้ต้องขออนุญาตถวายท่านด้วยอาหารทิพย์ท่านว่าอาหารทิพย์เป็นอย่างไรแต่นี่ก็ตกบ่ายแล้วฉันไม่ได้เป็นอาบัตเทวดาก็แสดงอาหารทิพย์ในมือถวายให้ท่านดูปรากฏเป็นแท่งเหมือนดินสอพอเทวดาอธิบายว่าไม่ใช่อาหารธรรมดาที่จะฉันจะเกียวจะกลืนดังอาหารธรรมดา อาหารทิพนี้เป็นเพียงโอชารสที่จะซึมซับเข้าไปในร่างกายเท่านั้นเรียเบเหมือนยาหรือน้ําเกลือน้ําหวานที่พระอาจฉันได้หลังเวลาเพลแล้วเพียงใช้ถูเบาๆความเป็นทิพก็จะซึมซาบไปตามจุดของร่างกายเหมือนฉีดยาบํารุงกําลังนั่นเ่ยวระยะแรกท่านขานมากเหตุผลที่สําคัญที่สุดก็คือเทวดานั้นเป็นผู้หญิง ท่านเปลงว่าจะเกิดอาบัตและถึงว่างายทิพย์ของเทวดาจะไม่เป็นที่รู้เห็นของคนทั่วไปแต่สำหรับตัวท่านเองนั้นหลับตาก็มองเห็นเทวดาหลืมตาก็มองเห็นเทวดาแม้ทางพระวินัยจะไม่มีความเสียหายแต่ถ้าเปื่อผู้มีสายตาดีมีญาณผ่านมาเห็นเข้าจะเป็นที่คอรหาว่าสจะอยู่ตามลาพังกับสตรี เทวดากราบเรียนท่านว่าอาหารทิพย์ที่ท่านเห็นนั้นท่านเห็นได้จากใจทิพย์เทวดาเพียงจะนำอาหารทิพย์มาถวายทางกายทิพย์ไม่ใช่กายเนื้อที่ท่านว่าเลืมตาก็เห็นนั้นหรือตาเนื้อมองเห็นด้วยนั้นแท้จริงเป็นพยานภายในของพระคุณเจ้าสนับสนุนให้เห็นดอกเทวดาเป็นผู้รัก และเทิดบูลท่านผู้มีศีนธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างพระคุณเจ้าเทวดาก็อยากได้บุญได้กุศลเช่นกันจึงขอถวายอาหารทิบบ้างพระคุณเจ้าอยากออกบินทบายโปรดให้มนุษย์ได้ใส่บาตรได้บุญได้กุศลเทวด า, าทำไมจึงอาภัพอัปวัตนาไม่มีสิทธิถวายอาหารหรือญาติบำรุงกาลังเพื่อส่วนบุญส่วนกุศลของตนบ้าง ทันละว่าการคิดการพูดโตตอบนี้เป็นไปในสมาธิภาวนาตลอดดังนั้นเวลาเพียงไม่กี่วินาทีถ้อยคำกระแสะความคิดของมนุษย์หรือเทวดาจะปรากฏไปได้ยืดยาวมากปรากฏว่าหลังจากที่เทวดามาถวายอาหารทิพย์โดยท่านทางกายทิพย์แล้วพอท่านออกจากสมาธิก็รู้สึกว่าร่างกายมีกาลังสดชื่น ราวกับได้ฉันอาหารตลอดเวลาหลา ย, ลายวันที่ผ่านมาเทวดาองค์นี้ได้ล ถ, ถวายถึงบุพเพนิวาสที่ได้เคยมีต่อหลวงปู่อย่างละเอียดและแม้จะอยู่กันคนละภพและภูมิแต่ก็ประวารณาขอถวายอารกขาแม้ท่านจะปฏิเสธว่าองค์ท่านไม่ได้ละบากติดขัดหรือขาดแคลนสินใดความเป็นความอยู่ก็พอเป็นไปตามอัตภาพขอทงท้สุดงกรรมฐาน ผู้ฉันน้อยอยู่น้อยใจมุ่งต่ออัดต่อรำเป็นส่วนใหญ่ที่เทวดาว่าท่านจะหิวจะไม่มีกำลังท่านก็ไม่ได้รู้สึกเลยอย่างไรก็ดีแม้ท่านจะปฏิเสธอย่างไรเทวดาองค์นั้นก็คอยมาดูแลอารักขาท่านอยู่เสมอบางครั้งท่านมองไปจะเห็นเทวดานั่งเรียบร้อยอยู่บนโขดหินห่างท่านจากสี่ถึงห้าวา กล่าวกลับจะเป็นยามอารักขานี่พระต้องอนาถรรอใจทันว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าแปลกอย่างหนึ่งมันปรากฏกับท่านระหว่างที่ท่านจำบัญษาอยู่ที่ถ้านายมจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนที่15สถานที่ซึ่งมีบุญคุณที่สุดปกติหลวงปู่มีนิสัยเด็ดเดียวอาถรรพ์ชอบไปและอยู่ตามละพังองค์เดียว น, น, นานๆจะชวนเพื่อน ชวนมู่ไปด้วยสักครั้งหนึ่งแต่ก็จะเลือกเฉพาะผู้ที่มีใจเด็ดใจถึงตายเป็นตายเท่านั้นท่านอธิบายว่าการไปคนเดียวอยู่คนเดียวทําให้มีสติรู้ตัวสังวรระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทมัวแต่จะลึกอ่านสายเพื่อนหรือผู้อื่นทั้งไม่ต้องมีเรื่องมากต้องคอยพูดคุยสนทนากันในบางโอกาสบางเวลาไปคนเดียวไม่ต้องรังรอ ก, กันคิดจะไป เีเก็บบริฐานใ่บาดความกดรบมได้ก็ไปได้แล้วไม่ต้องเสียเวลารอโ น, โน่นรอนี่สรือคำทักทวงติงอย่าเพิ่งไปเลยกำลังอยู่สบายไปทำไมญาติโยมเพิ่งทำแพร่ที่มุ่งบังถวายเสร็จไม่อยู่ต่อไปหรือท่านจะได้ไม่ต้องได้ยินคำทัดทานเหนียวลังเหล่านี้มีผู้เคยเรียนถามท่านวาดไปองค์เดียว เจ็บจะทำอย่างไรตายจะทำอย่างไรท่านก็ยิ้มและตอบเรียบๆว่าเจ็บก็รักษาทานขการไปตามมีตามเกิดหายก็หายตายก็ตายนั่นสิตายจะทำอย่างไรผู้สงสัยเร่งถามท่านตอบง่ายๆว่าก็ปล่อยไปตามคติธรรมดาถามซ้ำกันอีกว่าคติธรรมดาเป็นอย่างไร ท่านจึงต้องอธิบายเพิ่มเติมท่าทังสีเขาก็กลับคืนไปนสู่สภาพเดิมของเขาที่เป็นลมเป็นไฟก็หยุดแล้วเมื่อหมดลมหายใจที่เป็นน้ำและดินก็กลับสู่น้ำและดินนัสิกออกพรรษาแล้วท่านก็จัดจากวัดที่พักไปจวนหาที่วิเวกอยู่เสมอพรรษาสิกแม้ท่านจะจำพรรษาในถ้ำนายมซึ่งอยู่กลางป่าลึก เป็นที่สังกัดวิเวกอย่างยิ่งอยู่แล้วแต่วิสัยของท่านไม่ชอบการอยู่ในที่ซ้ำซากจำเจไม่ติดเทรนไม่หลั่งเลยอาไลาเทวดาผู้อารักขาท่านและเทวดาที่อยู่โดยรอบบริเวณจะพยายามอารัธนาขอให้ท่านอยู่ต่อไปเพื่อความสงบร่วมเย็นเป็นที่พึ่งพักผ่นทางใจของบดา ก, กายทิพย์เหล่านั้นแต่ท่านก็ต้องปฏิเสธว่าท่านมีความจาเป็น จะต้องจากไปท่านเห็นประจักษ์ในพระพุทธภาษิตอุยุนชัติสติมันโตนะนิเกเตพระมันติเตหังสาวะปัลละหลังอิ ต, ตวาโปกะโมกังฌะหานติเตผู้มีสติยอมหลีกออกท่านไม่ยินดีในที่อยู่ท่านยอมละอาลัยที่อยู่เสียได้ ปุจพญาโงงลาเปือกตกงไปฉะนั้นท่านออกวิเวท ต, ต่อไปในเขตต่อจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยซึ่งท่านเคยท่องเที่ยวหาความสมบตลอดมาทางภูเขียวภูเรือภูหลวงท่านว่าเวลาอยู่ในวัดหรือเป็นป่าธรรมดาไม่ใช่ป่าดงพงลึกนั้นใจท่านมักจะอึดอัดอ่อนล้าไปในทางที่เกยียดประมาทนอนใจ ไม่กระฉับกระเฉงว่องไวดังที่ไปทรมานตนในป่าลึกเขาสูงจะติดปัญญาก็ล่าช้าดุจจะเสื่อมถอยหลังไม่องอาจแกล้กลาดังเวลาเผชิญในภัยในเขาป่าเขาสำหรับท่านเป็นประดุจหินกล้าที่รับมีดให้คมกริบพอที่จะตัดฟันกิเลสที่จะเพเยตตัวขึ้นมาให้ขาดกะเลนไปป่าเขาสำหรับท่าน เป็นประดุจครูที่ให้อุบายธรรมานกิเลสให้สยบร า, าบคาบการทำความเพียรของท่านสามารถกระทำต่อเนื่องกันไปโดยไม่หยุดยั้ยงหรือต้องถูกเหนี่ยวรั้งกังวลเพราะปูพวกสติปัญญาก็เกิดขึ้นงอกงามคู่เกียวกับความเพียรและในขณะเดียวกันระหว่างทำความเพียรก็ยังพอมีเวลาให้ความอนุเคราะห์แก่พวกสิ่งลึกลับ กายทิพ์เขาได้ด้วยพันศาที่สิบเอ็ดพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดท่านจับปรญหาที่วัดสกโคคาบ้านคลองสีพันเมืองลมใหม่จังหวัดเพชรบูร์พันศาที่สิบสองพุทธศักราชสองพันสี่รอยเจ็ดสิเก้าจับปัญหาที่วัดดงขวางอันอยู่ในเขตเมืองลมใหม่จังหวัดเพชรบูร์เช่นกัน เกียงแอยู่ห่างกันมากเท่านั้นท่านเร่งความเพียรอย่างอุกฤษอาจจะเป็นเพราะได้ถูกเทวดาประศิศฐทักกับพระขาวตอนอยู่ถ้ำนายมก็ได้ท่านว่าเราเป็นพระมีสินถึง227ข้อแต่พระขาวนั้นเพียงสินแปดแต่ก็เป็นพระอนาคามีแล้วายเขาเหลือใจความจริงนับจากที่จากถ้า นายมมาแล้วท่านก็เร่งในการทำความลักเพียรอย่างยิ่งเช่นกันตลอดเวลาสองพรรษาที่ผ่านมานาวัดสามกองคาและวัดดงขวางมีการอดอาหารมากขึ้นพอนอาหารสลับกันบางโอกาสได้ทำความเพียรเฉพาะอิยาบทสามพอเดินยืนนั่งโดยอธิษฐานไม่นอนเพื่อเอาชนะกิเลสออกภาสารแล้วท่านก็หลีกเล้น ไปตามป่าตามเขาสูงในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยจนเกือบจะกล่าวได้ว่าไม่มีภูเขาใดดอยยอดใดในสองจังหวัด น, นี้ที่รอยขาวาของท่านจะไม่เคยเหยียบยา่างทุดงผานถ้าได้ทุงดงจากจังหวัดเลยมุ่งไปสู่เชียงใหม่ด้วยได้ข่าวว่าท่านพัะอาจารย์มั่นอยู่ที่นั่นผ่านภูเรือดาด้ า, นายนครไทยในเวลาเดินทาง รอดแรมได้ก้าวัดเ้าคืนไม่มีอุปสรรคใดๆพันษาที่สิบสามพุทธศักราชสอง0สปสิบท่านได้ไปจำพรรษาอยู่ณวัดบ้านโป่งอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโป่งนี้เป็นสำนักที่ครูบาอาจารย์เคยเป็นพักบำเพ็ญเพียรกันมากเช่นท่านพระอาจารย์เสาจันทรโลท่านเจ้าคุณอุบาลี กุณุปมาจารย์จาริจันโทเป็นต้นแม้ท่านพระอาจารย์มันเองก็เคยจำพรรษาที่วันนี้ทัลาวาเป็นที่สัพ ป, ปะยะบอกาะแก่การภาวนามากภาวนาไม่นานจิตจะสงบลงถึงฐานของสมาธิอย่างง่ายดายการนั่งภาวนาจนตลอดสว่างวันยังค่ำคืนอย่างรุ่งก็ทำได้โดยไม่ยากเวลาเดินจงกรม ก็รู้สึกเหมือนกระเพาะลอยไปในอากาศ